กรรมฐานนะทางเฉพาะตัวทางใครทางมันแต่หลักของการปฏิบัติมันอันเดียวกันที่เราแค่ทำสมถะใช้อารมณ์อะไรก็ได้นะอารมณ์บัญญัติก็ได้เช่นการคิดพิจารณาร่างกายแยกร่างกายเป็นส่วนๆฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอาไปเผาไฟกำหนดเผา น, นี้ก็เป็นสมถะเรี่กว่าใช้อารมณ์บัญญัติเพ่งรูปเพ่งนามเพื่อเป็นสมถะอย่างรู้ลมหายใจแล้วจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจสงบอยู่ที่ลมหายใจอยู่ในอารมณ์ันเดียวคือลมหายใจลมหายใจเป็นอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอ็อบเจกต์เป็นตัวที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ เ, เวลารู้ลมหายใจแล้วจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไม่ใช่วิปัสนาเป็นสมถะจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณนุ่งปนิชานดูท้องฟองยุบนะเห็นท้องพองเห็นท้องยุบจิตสงบอยู่ที่ท้องก็เป็นสมถะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไปสงบอยู่ที่เท้าจออยู่ที่เท้าไม่หนีไปที่อื่นเลยก็เป็นสมถะ ดูจิตก็ไปเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างเพ่งความนิ่งนิ่งของจิตเพ่งความว่างความไม่มีอะไระเป็นสมถะเวลาดูจิตนั้นทำสมถะได้หลายแบบอันหนึ่งเพ่งความว่างวงเรียกว่าอากินจัญญายตนะอันหนึ่งก็เพ่งจิตที่ไปรู้ตัวว่างไม่นจะเกิดจิตซ้อนจิตไปเรื่อยเรื่อเรื่องบิน ญ, ญาณเป็นอ น, นันต์ คือวิญญาณไม่มีที่สุดซ้อนซ้อนซอนไปเร่ยเรื่องเพ่งตัวรู้อันนี้ภาษาแขกเรียกว่าวิญญาณัญญายตนะก็เป็นสมถะอีกงานหนึ่งไม่เพ่งอารมณ์คือความว่างไม่เพ่งจิตที่เป็นตัวรู้นะทิ้งทั้งอารมณ์ทั้งตัวจิตกลาเป็นว่าเพ่งความไม่เอาอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่เอาทั้งอารมณ์ไม่เอาทั้งจิตเรื่องอากิจัญ ญ, ญ, ญายตนะ อย่หนึ่งเพ่งอยู่ที่จิตนะจนสัญญานี้มันเลือนแทบจะไม่มีการหมายรู้อะไรทังสิ้นเลยรู้แบบไม่ค่อยจะรู้เลือนลางเต็มทีนะเรียกว่าเนวะวสัญญาณาสัญญ า, า ญ, ญาตนะย่งเพ่งร่างกายนะยเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องก็เป็นสมถะข ย, ยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนนะ้วจิตไปจ่ออ ย, อยู่ที่มือก็เป็นสมถะแล้วเพ่งจิตนะไม่ว่าจะเพ่งความว่างที่จิตไปรู้เข้า เพ่งตัวผู้รู้ตัวจิตหรือเพ่งความไม่มีอะไรคือไม่เพ่งทั้งทั้งอารมณ์ทั้งจิตหรือความรับรู้มันเลือนลงไปมันก็เป็นสมถะอารมณ์ของสมถะอีกชนิดหนึ่งคือพระนิพพานอันนี่ปุถุชนทําไม่ได้นิพพานนี่เป็นอารมณ์สมถะสําหรับทาริยะบุคคลเพราะว่าปุถุชนไม่เคยเห็นนิพพานเราไม่รู้จักนิพพานเรา เอามาเพ่งไม่ได้เพ่งนิพพานถ้าเป็นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาเวลาจะเอานิพพานมาทําสมถะต้องดูรูปดูนามก่อนแล้วก็ดูรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์ต้องดูมาเป็นลําดับพอเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตมันเคยเห็นแจ้งมาแล้วมันจะปล่อยปล่อยรูปปล่อยนามว่าจิตมันวางรูปบางนามนะสติก็ยังอันตโนมัติอยู่ สมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ที่จิตอัตโนมัติปัญญาเห็นจริงรูปนามเป็นไตรลักษณ์จิตวางรูปนามปุ๊บก็จะเห็นพระนิพพานแต่อย่างพระอราหารันต์เวลาจะเห็นนิพพานเนีแค่มนัสิการถึงไม่ต้องไปผ่านรูปนามเพราะแจ้งรูปนามไปแล้วปล่อยรูปนามหมดแล้วไม่ต้องไปดูย้อนที่รูปนามอีกก็แค่มานัสิการแค่ระลึกถึงพนิพพานจิตก่สัมผัสกับพนิพพานมีความสุข ก็าอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนะกว้างขวางอารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้ไม่เหมือนวิปัสสนานะอารมณ์วิปัสสนามีแต่อารมณ์รูปนามเอาอารมณ์บัญญัติมาทําวิปัสสนาไม่ได้ถ้าทําวิปัสสนานะไม่ใช่ใช้อารมณ์บัญญัติเพราะนั่นจะไปคิดเอาไม่ได้ อย่างเบื้องต้นครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะท่านพุโทโธทำความสงบแล้วท่านพิจารณากายอันนั้นนาร่องให้จิตเดินปัญญาครูบาจารย์ท่านเคยบอกเป็นวิธีนําร่องให้จิตมันเดินปัญญาไม่ให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยติดว่างทำสมาธิมากๆแล้วมันว่างมันไม่ยอมเดินปัญญามขี้เกียจขี้คลานติดในความสุขความสงบให้มาพิจารณาร่างกายเมื่อมาพิจารณาร่างกายแล้ว ที่แรกก็คิดเอาตรงนี้ไม่ใช่วิปัสสนานะคิดพิจรารณาร่างกายเป็นสมสถะแล้วแต่คิดคิดคิดคิดไปนะจนกทั่งจิตมันจําสภาวะได้แม่นมันจําสภาวะได้แม่นแล้วต่อไปสติสมาธิปัญญามันเกิดสติมันะระลึกรู้ในร่างกายเองจิตมันตั้งมั่นถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูเพราะมันเคยพิจรารณาร่างกายจนร่างกายหมดนะนวิธีที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนทํานะ ท่านดุกกายจนสลายกายไปหมดเลยพอสลายกายหมดจเหลือแต่จิตดวงเดียวนะพอมีจิตดวงเดียวนยีจนชำนิชำนาญ น, นะก็จะเป็นตัวรู้ขึ้นมาหลวงพ่อพุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังสมัยก่อนสมัยยังหนุ่มๆท่านเป็นวรรณโรคคนโบราณเป็นวรรณโรคนี้ตายแน่นอนใครๆก็ว่ามหาพุทธต้องตายแน่นอนท่านก็คิดว่าท่านไม่รอดแล้วท่านก็นอนไม่สบายมากนอน นอนน อ, นอยู่ท่านภาวนาท่านไปเรื่อยนะจิตมันถอดออกจากร่างจิตลอยขึ้นไปอยู่บนเพดานะย้อนลงมาดูร่างกายเห็นร่างกายนอนเจ็บป่วยนะเหมือนซากศพเหี่ยวแห้งนะดูไปดูไปค่อยๆสลายไปร่างกายค่อยๆสลายค่อยๆตายไปนะขึ้นอืดฟองไปแล้วก็ยุบลงไปกลายเป็นสุดท้ายเป็นหนังพุ่มกระดูกสุดท้ายเหลือแต่กระดูกสุดท้ายกระดูกด ก, ดก็าหายไป เรืจิตนั้นก็เด่นดวงร่างกายหายไปเหลือจิตดวงเดียวนะพอกลับมามีร่างกายปุ๊บเนี่ยความรู้สึกมันจะทราบซึ้งถึงใจเลยว่ากายกับจิตเนี่ยคนลอ่านกันเนี่ยแยกขันได้ถ้แยกธาตุแยกขันได้นะ ก, ด ก, ไดก็เป็นพิษหนักกายนะฉันเหลือแต่จิตเดียวก็สามารถแยกขันได้ก็ลงไปที่เดียวกันคือแยกขันแต่เป็นวิธีแยกขันที่ยาวนานมากเลยกว่าร่างกายจะสลายหมดนะจริตนีิสัยบางคนเป็นอย่างนั้น เสร็จแล้วก็มาคิดพิจารณานะวนเวียนร่างกายใจมันเห็นแล้วว่าร่างกายไม่ใช่เราหรอกนะ <c oughs> ก็มาคิดพิจารณาไปเรื่อยนะเป็นปฏตรกูนาสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรไม่ใช่เราอะไรเงี้ยพิจารณาไปเรื่อยๆ <c oughs> ถึงวันหนึ่งเนี่ยจิตมันมีพลังมากพอสติสมาธิปัญญามันมีกําลังมากพอการที่คิดพิจารณาไปเรื่อยมันเพิ่มพลังของสติของสมาธิของปัญญาขึ้นมาพอมันมีกําลังมากพอจิตมันรวมนะ จิมันรวมแล้วมันเดินปัญญาเองคราวนี้มันทําวิปัสนาจริงๆแล้วช่วงยาวเฟื้อยเลยเนี่ยมไม่ใช่วิปัสนาหรอกแต่เป็นการฝึกจิตเจอทั้งมันชํานิชํานานขึ้นมาแล้วมันเดินวิปัสนาเองสั้นๆหรอกนะแต่ถ้าเดินแนวนี้ก็ใช้เวลานานหลายปีหน่อยนะใช้เวลานานกว่าจะแจ้งร่างกายวางร่างกายกว่าจิตจะเดินวิปัสนาเป็นแต่เดินแล้วไม่ยาวนะจะเป็นคนละวิธีกับที่อย่างที่หลวงพ่อสอน หลวงปูดด่ดลสอนหลวงพ่อให้ดูจิตไปเลยนะหเห็นจิตนะั้นเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตนะตาไปเลยนะแล้วแต่จริตนิสัยนะตอนเด็กๆตอนก่อนหลวงพ่อเจอหลวงปู่ดูลหลวงพ่อเคยพิจารณากายเหมือนกันนะดูร่างกายนะนาทีเดียวมันระเบิดหมดแล้วนะแตกสลายหมดไปแล้วรู้สึกร่างกายนี้จุดชืดไม่พอใจไม่สนุกไม่สะใจไม่ถึงใจ ก็เลยจดชืดไม่ไม่เอาที่มาเจอหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตดูใจนะโอ้จิตใจในี่กว้างกวางนะจิตเนี่ยทำหน้าที่ได้ตั้งสิบสีแบบจิตมีตั้งนานาชนิดนะจิตที่อยู่ในกามก็มีร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีจิตที่เป็นอยู่ในสมาธิก็มีสงบอยู่กับจิตสงบแบบมีร่างกายก็มีแบบไม่มีร่างกายก็มี จิตน่ะหลากหลายมากเลยจิต ท, ที่เป็นสุข ก, ก็มีจิตที่เป็นทุกข์ก็มีจิต ท, ที่เฉยๆก็มีจิต ท, ที่ดีก็มีจิต ท, ที่ชั่วก็มีจิต ท, ที่เฉยๆไม่ดีไม่ชั่วก็มีเนี่ยมันหลากหลายมากเลยแล้วทำงานได้14อย่างเวลาทำงานก็ทำงานได้เองด้วยสนุกมากเห็นมันทำงานได้เองมันสืบเนื่องกันไปอย่างเวลาจิตมันอยู่ในผวังะวังลึกๆ ไม่ได้รับรู้ทางตาหูจมูกลิน้นกายนะบางทีมีอารมณ์ทางใจผุดขึ้นภายในนะไม่มีตาหูจมูกลิน้นกายหรอกบางทีจิตมันเคลื่อนอยู่ข้างในนะเคลื่อนเคลื่อนจากผวังในผวางนั้นลงผวังไปแล้วไปส่งอยู่ในผวังแล้วไปเคลื่อนในผวังนะะเคลื่อนในผวังได้เต็มที่แล้วก็หลุดออกมาจากผวังนะเนี่ยจิตมันนานาชนิดนะพอหลุดออกจากผวังแล้วเนะี่ยมีจิตอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเลือก ว่าเราจะไปรับรู้อารมณ์ทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายนะอย่างคล้ายๆเรานอนหลับลึกอยูนะ่อยู่ๆเราก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาทีแรกเรายังนึกไม่ออกว่าตื่นเพราะอะไรนะแต่จิตอีกดวงหนึ่งมันจะสัมผัส ข, ขึ้นมาแล้วก็จะรู้โอ้มันมีเสียงแปลกปลอมเนี่ยพอจิตมันรู้สึกอย่างนี้นะจิตจะวิ่งไปเกิดทางหูคือไปฝังนะพอจิตไปที่หูแล้วเนี่ย ฟังสิ่งที่หูได้ยินนะคือคลื่นเสียงสูงสูงต่ํต่ำที่ไม่มีความหมายอะไรเลยหูมีแค่หน้าที่ได้ยินเสียงนะแต่ไม่รู้ความหมายของเสียงนะจะรู้ความหมายของเสียงได้เนี่ยมีจิตอีกดวงหนึ่งนะส่งสัญญาณจากหูเนี่ยเข้ามาที่ใจนะพอส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วมีจิตอีกตัวหนึ่งเป็นตัวพิจารานาะว่านี่คือเสียงอะไรอาศัยสัญญาเข้าไปแปลเสียงนะ กรู้ความหมายขึ้นมาพอรู้ความหมายขึ้นม า, า, ม, ม, า, น ม, ามีจิตอีกตัวหนึ่งมันเป็นตัวตัดสินเลยนะว่าจะจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยในกระบวนการที่จิตทำงานจิตทำงานของจิตเองทั้งหมดเลยในสุดจิตตัดสินแล้วว่าไอ้นี่ไม่ดีโทสะก็เกิดเนีนะโทสะก็เกิดเองจิตก็ตัดสินเองนะจิตรับรู้อารมณ์เองเห็นแต่มันทางานได้เองทั้งหมดเลย พอมันมีโทสะขึ้นมาจิตจะไปผลักอารมณ์ปฏิเสธอารมณ์เวลาโทสะเกิด น, นะจะมีลักษณะเด่นก็คือจิตจะผลักอารมณ์ออกหรือไม่ก็ดึงตัวเองออกจากอารมณ์คือพยายามแยกตัวเองออกจากอารมณ์เวลามีราคะเนี่ยจะมีลักษณะเด่นคือจิตจะตะครุบอารมณ์ดึงอารมณ์เข้ามาหาจิตนะไม่ก็ส่งจิตเข้าไปจับอารมณนะ์ทําได้ทั้งสองลักษณะดึงเข้ามาก็ได้หรือกระโดดเข้าไปจับก็ได้ถ้าเป็นโมหะเนี่ยจิตจะหมุน หนวนะสับสนไม่รู้จะเอาอะไรดีไม่รู้จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วงงนะสงสัยลังเลอะไรพวกนี้ขึ้นมาจะหมุนหมุนวนนะเวลาตัดสินใจไม่ถูกรู้สึกไหมวนเวียนวกวนไปวกวนมานะลักษณะของโมหะเลยวนไปวนมาเนี่ยจิตมันเป็นเองนะถ้าโกรธก็โกรธได้เองโลภก็โลภได้เองหลงก็หลงได้เองหรือจะมีสติก็มีสติได้เองนะไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะ เพราะนั wow. ้นอนนี้เลยไปถึงว่าไม่มีใครสั่งให้มรรคผลนิพพานเกิดได้นะอย่าว่าแต่มรรคผลนิพพานเลยสั่งให้สติเกิดยังไม่ได้เลยนะเนี่ยเห็นของจริงเข้าไปนะอู้ยลึกซึ้งสนุกมากเลยแล้วเราเห็นกระบวนการที่จิตทํางานนะเหงกระบวนการที่มันปรุงความทุกข์ขึ้นมาเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตช็อตกระบวนการที่มันปรุงความทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าปฏิจจสุบาทนะกระบวนการที่มันทํางานสืบเนื่องกันเนี่ยเรียกว่าวิถีจิตนะ เป็นวิธีคิดกระบวนการทํางานเพราะมันออกมารับอารมณ์มาเสฟอารมณ์อะไรเต็มที่นะมันจะเซฟข้อมูลเก็บเข้าไปในผวังคจิตอกีกในจิตอีกนะจะเก็บข้อมูลเข้าไปอีกเพราะงั้นเวลาเราทําดีหรือเราทําชั่วก็ตามนะมันจะเก็บบันทึกข้อมูลลงไปก่อนที่จิตจะลงผวังเนี่ยจิตจะเก็บบันทึกข้อมูลก่อนนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตรงนี้นจิตไม่ได้เสฟอารมณนะ์แล้วแต่จิตจะเก็บข้อมูลนะสะสมเอาไว้ นะทั้งดีได้ชั่วเรนะาสะสมเสร็จแล้วก็ตกผวังนะเนี่ยกระบวนการที่จิตทํางานพอตกผวังนะั้นไม่นานก็ไหวขึ้นในผวังอีกนะเป็นผวังไหวจาถัดจากนั้นก็ตัดกระแสผวังขึ้นมารับอารมณ์อีกขึ้นมารอบที่สองเนี่ยอาจจะมารับอารมณ์ทางหูก็ได้นะแล้วก็เสพไปจนกระทั่งตกผวังไปขึ้นมาอีกรอบนึงอาจจะไปรับอารมณ์ทางจมูกก็ได้นะ หืขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไม่รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นรับอารมณ์ทางใจเลยก็ได้นะจิตแนวแนวนอนไม่ได้แล้วตรงที่จิตเสพอารมณ์นะถ้าอารมณ์ไม่มีความหมายไม่มีความรุนแรงไม่ดีไม่ชั่วไม่สุกไม่ทุกโดดเด่นอะไรเนี่ยมันไม่ไม่มีการบันทึกข้อมูลนะก็จะไม่บันทึกข้อมูลจิตจะตกขวังไปเฉยๆเนี่ยจิตทํางานได้วิจิตพิสดารมากนะ ในเวลาตื่นก็ทำงานได้วิจิตพิสดารเวลาหลับก็ทำงานวิจิตพิสดารแล้วถ้าเราหูตาดีเราไปดูคนจะตายเราก็เห็นจิตมันทำงานตอนเขาจะตายอีกนะทำไมเรียกจุติจิตจุติเพาเคลื่อนมันเคลื่อนจริงๆนะมันเคลื่อนจากไหนเคลื่อนในตัวของมันเองไม่ใช่เคลื่อนจากที่หนึ่งไปเกิดอีกที่หนึ่งนะมันหมุนอยู่มันหมุนอยู่ในตัวของมันเองนะหมุนทุกข์มากเลยใครว่าตายเป็นทุกข์ดูไม่ออก ต้องดูตอนตายจริงๆถึงจะเห็ น, นจิตดวงที่จะตายเนี่ยเป็นจิตที่มีความทุกข์มากมหาศาลเลยมันหมุนอย่างกับลุกขังเลยสมมติว่าเราไปนั่งในในอะไรสักอย่างนะแล้วมันหมุนจี่ขึ้นมาเนี่ยโอ้ทุกข์นะทุกข์มากเลยทุกข์จนตายนะนะพูดง่ายๆอย่างเราได้ยินว่าแก่เป็นทุกข์นึกออกใช่ไหมแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ใช่ไหมตายเป็นทุกข์เนี่ยนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยเห็น เราเห็นแต่ตอนแก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์แล้าถึงตายเป็นทุกข์เรายังไม่เคยเห็นนะถ้าภาวนาแล้วบางคนมันรู้จิตคนอื่นได้นะไปดูคนจะตายนะรู้ว่ามันทุกข์มากเลยมันจะไม่เหมือนเนี้ยบางท่านท่านตายสะอาดหมดจด น, นะจิตไม่เหมือนไม่เหมือนคนทั่ ว, วไป เนี่ยพอมาเรียนเรื่องจิตเรื่องใจแล้วสึกสนุกสนุกมีอะไรที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นตั้งเยอะแยะสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็นับไม่ท่วนเลยเยอะแยะไปหมดเลยในตำานะราเนี่ยรวบรวมไว้เรียกว่าเจตสิกอย่างนะเนเจตสิกอย่างมีจิต1เจตสิก52นะรูปมี28ดอย่างงั้นดูรูปนี่เล็กน้อยนะน้อยดูจิตนี่กว้างขวางมากเลยเพราะมันจะดูทั้งจิตดูทั้งเจตสิก ดูแล้วแต่ละวันนะมีความรู้สึกเหมือนได้รู้สิ่งใหม่ๆได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้สึกสะใจนะเนี่ยถ้าให้หลวงพ่อไปดูกายนะจะจืดชืดเลยก็ใจจะไม่เอานิดแต่จริตนิสัยนะถ้าว่าทำเป็นแล้วก็มันลงไปที่เดียวกันคือพอพี่จรร ก, กากยไปนะถ้าจิตรวมเข้าจริงๆแนละ้จิตไปเดินปัญญาของจิตเองมันก็วางกายนะ แต่ดูจิตเราเห็นจิตเกิดดับอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเดินวิปัสนาไปเลยแล้จิตจะพลิกเป็นสมถะเป็นช่วงๆจะไม่เดินวิปัสนารวดหอกแต่ว่าถึงดูจิตนะก็จะพลิกมาเป็นสมถะเป็นช่วงๆ ช, ช่วงไปช่วงไหนที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตของเจตสิกรือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเช่น ค, ความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์อันนั้นถึงจะเป็นวิปัสนาช่วงไหนถ้าเห็นตัวความโกรธ เห็นตัวความโลภความหลงเห็นตัวความสุขเห็นตัวความทุกข์เห็นตัวจิตช่วงนั้นเป็นสมถะถ้าช่วงไหนเห็นว่าความโกรธก็ตกอยู่ใต้ใจรักโลภโกรธหลงตกอยู่ใต้ใจรักสุขทุกข์ตกอยู่ใต้ใจรักจิตก็ตกอยู่ใต้ใจรักช่วงนั้นเป็นวิปัสสนาเห็นดูจิตเป็นใจรักษดูได้สองลักษณะใหญ่ๆดูความไม่เที่ยงจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตร้ายก็ไม่เที่ยงนะ จิตโลภจิตโกรธจิตหลงไม่เที่ยงจิตที่ไปดูก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปฟังก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปคิดก็ไม่เที่ยงนี่ดูไม่เที่ยงอีกอันหนึ่งดูนัตตาว่ามันเป็นเองโกรธมันก็โกรธได้เองโลภมันก็โลภได้เองสุขมันก็สุขของมันเองทุกข์มันก็ทุกข์ของมันเองนะไปดูรูปมันก็ไปเองไม่ได้สั่งให้ไปห้ามไม่ให้ไปมันก็จะไปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจ จิตทํางานได้เองการที่เห็นว่าจิตมันทําได้เองเรียกว่าเห็นอนัตตาดูกายจะเห็นทุกขังชัดนะเห็นอนัตตาชัดกายนี่ถูกความทุกข์บีบคั้นแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุไม่เป็นอนัตตาถ้าดูจิตดูใจจะเห็นความไม่เที่ยงกับความเป็นอนัตตาชัดนะมุมที่หมอมจะต่างกันนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็คือเห็นอย่างเดียวกันคือเห็นไตรลักษณ์ ดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูเวทนาคือความสุขทุกข์ก็เห็นไตรลักษณ์ดูสังขารความปรุงดีปรุงชั่วโลภกรดลงก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตดูใจนั่งก็เห็นไตรลักษณ์เดี๋ยวจิตไปที่ตาแล้วก็ดับไปที่หูแล้วก็ดับนะเราทดลองนะที่ง่ายที่สุดนะจิตไปทางตานะเราลองดูลองดูพระพุทธรูปก็ได้องค์ใหญ่นะดูดูหน้าท่านนะหรือดูทั้งองค์ก็ได้นะ สังเกตไหมถ้าเราดูพระพุทธรูปทั้งองค์เราไม่ได้ดูทีเดียวทั้งองค์สังเกตไหมเราดูเป็นจุดๆ ด, ดูทีละนิดทีละนิดสังเกตไหมพอเราดูเช่นเราดูจมูกท่านเรดูจมูกนะสัญญาจําไว้แล้วตาเราก็จะขยับเปลี่ยนไปดูตาข้างซ้ายตาข้างขวาอะไนเนี้ยเราดูแล้วก็ดับลงไปนะสัญญาก็จําไว้คล้ายๆต่อชิกซอนะสุดท้ายที่เราเราเห็นพระพุทธรูปเนี่ย อาศัยต่อจิกซอเห็นเนะเราเห็นจริงๆเป็นจุดเล็กนิดเดียวลองดูซิเห็นดูออกไหมว่าเห็นเป็นจุดๆนะไม่ได้เห็นเป็นทั้งองค์หรอกแล้วดูออกไหมว่าพอเห็นชัดได้แวบเดียวก็จะเบลอเห็นชัดได้แวบเดียวแล้วก็เบลอลองดูสิจริงไหมตรงที่เห็นชัดก็คือมันมีจักขคูวิญญาณจิตที่มีจิตเกิดที่ตามันก็เห็นรูปชัด ตรงที่เบลอไฟเนี่ยนะจิตที่ตามันดับแต่อาศัยสัญญานะมาจำรูปไปสัญญาเรายังจำไม่แม่แมนมันยังเบลอๆอยู่นะแต่ถ้าถ้าสัญญามันแม่นนะจำได้แม่นมันจะเห็นเหมือนกับตามองเห็นรูปอันนั้นเขาเรียกว่าอุขหานิมิตนะอุคหานิมิตต่อไปก็จะกลายเป็นแสงดูพระพุทธรูปเนี่ยพระจะค่อยๆเจจิตเราหลับตาทั้งก็เห็นเหมือนกับลืมตาเลย ดูไปดูไปพระจะใสาเลยนะใสเป็นแก้วเลยแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นดวงกลุ่มๆนะเป็นดวงกลมขยายไปเท่าไหร่ก็ได้นะย่อลงมาก็ได้อันนี้เรียกว่าปฏิภาคปฏิภาคนิมิตเป็นสมรถตาทั้งหมดอะนะแต่ดูออกไหมว่าจิตเกิดที่ตาแล้วดับเห็นชัดแล้วก็เบลอเห็นชัดแล้วก็เบลอเวลาเราได้ยินเสียงเดี๋ยววันนี้ยเวลาคุยกับเพื่อนลองสังเกตดู เราไม่ได้ฟังทุกคำหรอกเราฟังแล้วช่วงที่เราสลับไปคิดเนี่ยเขาพูดอยู่นะเราจะแว่แวๆไม่รู้ว่ามันพูดอะไรหรอกแล้วเดี๋ยวพอออกจากการคิดแนละ้วค่อยมาฟังต่อนะแล้วก็อนุมานเอาว่าเมื่อกี้มันพูดงีนะ้ๆไปดูนะหูได้ยินเสียงก็เกิดดับเหมือนกันใจคิดก็เกิดดับนะหรือใจคิดก็เป็นอนัตตาเคยสวดมนต์แล้วมันแอบไปคิดเรื่องอื่นไหมเออนั้นแหละมันสอนธรรมมานะยังไม่ต้องตกใจ คนตายแล้วใจบาปหยาบช้าส่วนมนต์อยู่แท้ๆเลยไปคิดถึงแฟนเนะี่ยห้ามมันได้เชื่อที่ไหนล่ะห้ามไม่ไดนะ้มันสอนธรรมะเรานะดูของจริงไปดูซ้ําแล้วซ้ําอีกไปนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดว่าทุกอย่างนะไม่ว่าอะไรที่จิตไปรู้เข้ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตวนวหรอกนะดูซ้าแลบซ้ําอีกไปพอไปไหม ดูกายก็ได้ดูใจก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็ดูกายให้มากหน่อยคนไหนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นก็ดูจิตดูใจให้มากหน่อยบางคนนะทั้งเจ้าความคิดเจ้าความเห็นทั้งรักกายหลงกายพวกนี้แล้วแต่ว่าอารมณ์ตัวไหนเด่นก็รู้ตัวนั้นก็จะเห็นว่าตัวนั้นน่าเป็นไตรรักษณ์นั่นที่จริงเราไม่ได้ดูกายที่จริงเราไม่ได้ดูจิตนะที่จริงเราดูไตรลัก ในในขั้นของการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นจะดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูเวทนาคือสุขทุกข์ก็เห็นไตรลักษณ์ดูสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์ดูไปดูไปในสุดปัญญามันปิ้งเลยทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เพราะฉนั้นในคมภีร์จะชอบพูดเลยไดวย้ว่าเวลาบรรลุพระโสดาบันนะจะเห็นว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสพันตังนิโรธธรรมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาก็คือเห็นใจรักนั่นเองสิ่งทั้งหลายมันเกิดแล้วมันดับอันนี้เห็นอนิจจ์นะถ้าเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็กดับบังคับ ม, มันไม่ได้อันนี้เรียกเห็นอนัตตาถ้าเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกําลังถูกบีบคั้นเพื่อให้ดับไปอันนี้เรียกว่าเห็นทุกขังนะเห็นอะไรก็ได้อันนี้จังทุกขังอนัตตานี่ยเห็นไปเรื่อยๆ สุดท้ายมันรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่คงทนถาวรมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไม่มีอมตะนะจิตใจนี้ไม่ใช่ของอมตะของที่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปร่างกายก็เป็นของที่เกิดแล้วดับพอปัญญามันแทงทะลุลงมาแลนะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเป็นพระโสดา บ, บันนะต่อไปปัญญามันแก่กล้าขึ้นอีกภาวนาก็แบบเดิมแหละมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเหมือนเดิม ปัญญาแก่รอบขึ้ น, นจะเห็นเลยไอ้ตัวกายตัวใจเนี่ยที่มันเกิดดับเกิดดับมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกนะพระเห็นทุกนะจิตถึงจะปล่อยวางถ้ายังไม่เห็นทุกจิตจะไม่ปล่อยขนาดมีปัญญาอย่างระดับพระโสดาบันนะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราแล้วนะก็ยังไม่ปล่อยเพราะคิดว่ากายนี้ใจนี้ยังเป็นของดีของพิเศษยังนําความสุขมาให้ได้ไม่ปล่อยหรอก ตอนเมื่อไรเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์นะจิตจะปล่อยกายปล่อยใจไม่ยึดกายยึดใจ น, นะนั้นแหละพ้นทุกข์ลงนั้วนะที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงที่มันปล่อยวางความยึดถือในกายในใจในรูปในนามได้นะงั้นหน้าที่เราก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางอย่าลืมกายอย่าลืมใจอย่าแทรกแซงกายอย่าแทรกแซงใจนะก็เรียกรู้อย่างที่มันเป็นถ้าลืมกายลืมใจก็ใช้ไม่ได้ย่อหย่อนไป แทกแสงกายแทรกแสงใจนะก็ไม่ใช่วิปัสนาเป็นการเข้าไปดัดแปลงเชนะ่นนั่งสมาธิปวดขึ้นมาแล้วจะเอาชนะความปวดนี่แทรกแสงต้องให้เห็นนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันต่างคนต่างทํางานไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันเองอย่างนี้ถึงเรียกว่าเดินปัญญานะต้องแม่นนะ ไม่อนเวลาเกิดเราได้ยินได้ฟังธรรมะครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆหรือเราไปอ่านหนังสือธรรมะนะเราสับสนบางทีอ่านครูบาอาจารย์หลายๆองศ์สอนนะภาษาก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันถ้าหลักเราไม่แม่นนี่เราจะเปไปเปมาถ้าเราหลักเราแม่นเราไม่มีปัญหาหรอกนะออาไปกินข้าว